ทีนี้พระ อ, องค์ก็ประกาศว่าการที่พระ อ, องค์ตรัสรู้แบบนี้นี่นะเนื่องจากตรัสรู้มายังไงว่าดูก่อนพี่สูตทั้งหลายดวงตาญาณเนี่ยนะคือจากขุญาณปัญญาวิ ช, ชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมะทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่านี้ทุกขาริยสัตว์อันนี้คืออุปาทานขันท่าในภูมิสามนะอันนี้เป็นสัจจยานนะเนพอันนข้อ15ตรงนี้เฉพาะตรงนี้เรียกว่าสัจจยาน ว่าดวงตายานปัญญาวิชาแสงสว่างเนี่ยนะเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมะที um ่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี่ทุกขาริยสัตว์นี่แหละเป็นสัจญาณยานอันนี้เป็นทั้งโลกิยะและโลกุตระนี่นะรวมทั้งวิปัสนาญาณและก็มัคคายนด้วยดูความพิสูจนทั้งหลายดวงตายานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมะทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่านี้ทุกขานิโรธอริยสัตว์แล ควรกำหนดรู้อันนี้เป็นกิจยานนะอันนี้เป็นกิจยานอันนี้ว่าควรกำหนดรู้เออกิจของทุกเนี่ยปริญญาสามนะดูก่อนพิสู่์ทั้งหลายดวงตายานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมะทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่าทุกขาริยาศาสต ร, ร์นี่แลเราก็ได้กำหนดรู้แล้วอันนี้ชื่อว่ากะตะยานแปล ว, ว่ายานที่ทาเสร็จแล้วนะทกิจเสร็จแล้วเรียกว่ากะตะยาน คืออริยสัจนี่นะเฉพาะทุกขสัจมาก่อนนะทุกขสัจพระองค์รู้ทุกขสัจหนึ่งด้วยสัจจายานเนี่ยสัจจายานนี่ทั้งโลกิยาและโลกุตระนะส่วนกิจจายานนี่น่าจะมักส่วนกะตตายานก็คือประเภทปัจเจเวขณะยานมันก็สัจจายานกิจจายานกะตตายานเนี่ยนะก็ยาน3ในทุกขอริยสัจก่อนเสร็จแล้วก็ยาน3ในสมุทัยอริยสัจเนี่ยนี้สมุทัยอริยสัจ สมูทายอริยสัจนี้ควรละสมูทายอริยสัจละได้แล้วณวันนี้ทุกขสมูทายนี้เป็นสัจจยานสมูทายเนี่ยควรละอันนี้เป็นกิจยานสมูทายเราละได้แล้วอันนี้เป็นกตะยานเนี่ยนะกตะยานส่วนว่านี้ทุกขานิโรธอันนี้เป็นสัจญานนะวันนี้ทุกขานิโรธควรทําให้แจ้งอันนี้เป็นกิจจยาน ส่วนว่าทุกขนิโรตอริยสัตตนี้นั่นแลเราทําให้แจ้งแล้วอันนี้เรียกว่ากตตาญาณนี้ทุกข а н โรทัคามินีปฏิปทาอริยสัตว์อันนี้ก็เป็นสัจจญาณว่านี้ทุกข ани โรธคามินีปฏิปทาอริยสัตว์ควรเจริญอันนี้เป็นกิจจญาณนนะนี้เราเจริญแล้วนะทุกขนิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัตว์เราเจริญแล้วอันนี้เป็นกตตาญาณเนี่ยนะ ก็มีอยู่สิบสองยอดหน้าเขาเรียกว่าสิบสองยอดหน้า น, นี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าอาการสิบสองเนี่ยนะมีสิบสองยอดหน้าพอดีนั่นแหละลองเขียนไปสิบสองยอดหน้าพอดีเรียกว่าอาการสิบสนะ อ, องอาอาาส่วนกิจกิจจยาสัจจยานกิจจยานกตะยา น, ายานอันนี้เขาเรียกว่ารอบสามรอบสามในสัจจะสี่ก็เลยเรียกว่าอาการสิบสองเนี่ยนะ สัจญายนกิจจายานกะตตายานยานสประการคูณอริยสัจ4ี่ก็เท่ากับ12อ่ะ น, นะเพราะว่าอะไรสัจยายนเนี่ยนะสัจยายนเนี่ยมีทั้งวันนี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขนิโรธถ้าา ม, มิมีปฏิปทามี4ใช่ไหมส่วนกิจจายานก็คือทุกควรกำหนดรู้สมุทยัยควรละนิโรธควร ทำให้แจ้งมรคควรจเจริญอันนี้เป็นกิจยานส่วนกตายานก็คือทุกเรากําหนดรู้แล้วสมุทัยเราละแล้วนิโรธเราทําให้แจ้งแล้วมรคเราจเจริญแล้วอันนี้เป็นกัตายานเนี่ยนะมันยานสามคูณอริยสัจสีก็เลยเป็นอาการ12เนี่ยนะเขาเรียกว่าปริวัตรสนั่นแหละก็คือยานสามเนี่ยแหละก็บอกว่าถ้าดูความพิสูจน์ทั้งหลาย ปัญญาอันรู้เห็นตามความเป็นจริงของเราในอริยาาสัจ4ี่นี้มีรอบสมีอาการ12อย่างนี้ยังไม่หมดจดดีแล้วเพียงไรดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเรายังยืนยันไม่ได้ว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมนี้หมายถึงอรหัตตะมักนะดโน้ไว้ว่าอารหัตตมัคคยาน พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เพียงนั้นดูก่อนพิสูจนทั้งหลายก็เมื่อใดแลปัญญาอันรู้เห็นตามความเป็นจริงของเราในอริยสัจสี่นี้ในอริยสัจ4ี่นี้มีรอบสามีอาการ12อย่างนี้หมดจดดีแล้วดูก่อนพิสูจทั้งหลายเมื่อนั้นเราจึงยืนยันได้ว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลก พร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรหมโลกในมูสัตว์พร้อมทั้งสมณาพราหม์เทวดาและมนุษย์กันนะย้อนอีกครั้งหนึ่งนะคำว่าสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกนี้เป็นชื่อของอรหัตตมัคคยาณเพราะว่าอรหัตตมัคคยาณอันนี้นี่แหละเป็นเหตุให้คุณคือความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเปี่ยมคือไม่ว่าจะเป็นญาณในการเรียกว่ากําหนดรู้คติ หเนี่ยนะยานในการรู้กําหนดรู้กําเนิดสี่ยานที่อาสาธารณญาณหกทศพลยานสิเนี่ยนะพวกยานทั้งหลายแหล่นี่อาศัยอรหัตมัคคายานอันนี้เพราะฉะนั้นมักอันนี้ก็เลยเรียกว่าสัมมาสัมโพธิยานอันยอดเยี่ยมเนี่ยนะเพราะว่าเป็นปัจจัยให้ได้รับคุณทุกอย่างท่านอุปมาเหมือนกับว่าพระราชาผู้ได้มุรธาพิเศษก็ถือว่าเป็นใหญ่ทั้งหมดในแผ่นดินอย่างนั้นแต่อภิเศสนี่สําคัญมากเนี่ยนะ อันนปัญญาอันรู้เห็นได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าความพ้นวิเศษของเราเนี่ยไม่กลับกําเริบผลวิเศษในที่นี้เป็นชื่อของอรหัตตผลนะอรหัตตผลเนี่ยไม่กําเริบอีกแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ไม่มีต่อไปอันนี้ก็เป็นชื่อของปัจเจกขณะยานนะปัจเจกขณะยานพิจารณาอารหัตตผลพิจารณาว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายและปฏิสนธิไม่มีอีกต่อไป นี้เป็นชื่อของปัจเวกขณะยานก็แลเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสวยกากรณภาสิทธินี้อยู่ดวงตาเห็นธรรมคือโสดาปติมัคนะราศจากธุรีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระอัญญาโกลธัญญาว่ายังกินจิตสมุทยธรร ม, มังสะพันธังนิโรธรรมมังนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา อ่าอันนี้หมายถึงโสดาปฏิมัคนะรู้แจ้งอย่างนี้เนี่ยนะว่าถ้าโสดาปฏิมักเกิดขึ้นมีนิพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะแทงตลอดนิโรธสัตว์ถือว่าอย่างถึงสังคตะธรรมทั้งมวลว่ามีความเกิดขึ้นด้วยปัจจัยเช่นนี้แล้วก็ดับไปด้วยปัจจัยเช่นนี้เนี่ยนะมันก็แทงตลอดเอ่อย้อนมาที่คําว่าดวงตาเห็นธรรมอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นชื่อของโสดาปฏิมักว่าดวงตาอันนี้ที่เห็นอริยสัตว์ เป็นตาที่เกิดจากสมถะและวิปัสนานี่ในหนึ่งอีกในหนึ่งถือว่าเป็นตาที่เกิดจากไตรสิกขาเนี่ยนะเป็นตาที่เกิดจากอธิศีนอธิ จ, จิตและก็อธิปัญญาเนี่ยนะย้อนอีกครั้งหนึ่งนะว่าดวงตาเห็นธรรมคือโสดาปฏิมาคเนี่ยเป็นตาที่เกิดจากสมถะวิปัสนาเป็นตาที่เกิดจากอธิศีลอธิ จ, จิตและ อธิปัญญาจะเรียกว่าเกิดจากไตรศิกาก็ได้เกิดจากสมถวิปัสสนาก็ได้คำว่าปราศจากทุลีในที่นี้หมายถึงทุลีคือราคะเป็นต้นที่นำไปสู่อาบายเนี่ยนะก็โสดาปฏิมร์ไม่ทำลายได้หรือว่าคำว่าปราศจากมนทินก็คือมนทินคือทิฏฐิกับวิจิกิจชาเนี่ยพระโสดาบันละได้โดยเด็ดขาดคาว่าปราศจากมนทินนะคือทิฏฐิกับวิจิกิจชา พระโสดาบันละไม่มีส่วนเหลือครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศธรรมจักรอันให้เป็นไปแล้วเหล่าภู ม, มิเทวดาก็ได้บรรลือเสียงว่า น, นั่นพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาคทรงประกาศให้เป็นไปแล้วณนะป่าอิสิปตนมฤุกขายาวานันเขตพระนครพาราณสีอันสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆ ใ, ในโลกจะปฏิวัติไม่ได้ คือไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้จริงๆว่าเออนี่มันเป็นสัจจะเป็นความจริงแท้อย่างนี้จริงๆว่างั้นทีนี้เทวดาก็บรรลือดังต่อต่อกันไปจากพรหมาเทวดาก็บรรลือไปถึงจาตุมก็ดังถึงอนะชั้นดาวเดือนก็บรรลือไปถึงชั้นยามาชั้นยามาก็บรรลือไปดูสิดดูสิดก็บรรลือไปนิมมานรดีนิมมานาร ด, มมาารดีก็บรรลือไปถึงปรินิมมิตาวัสวัตติก็บรรลือไปจนถึงโน่นพรหมโลกจนถึง ชั้นอวิหาอาตปาสุทธศสาสุทธสีธาอากนิฐาเนี่ยนะก็บรรลืออย่างนี้เหมือนกันหมดก็บอกว่าชั่วชั่วขณะการครู่หนึ่งนั้นเสียงกระชอนไปจนถึงพรหมโลกด้วยประการชนี้ทั้งหมื่นโลกธาบนี้ได้วันไหวสะเทือนสะทานขณะที่จบสูตรลงเนี่ยแผ่นดินไหวเลยจบนี้สูตรนี้ลงนะแสงสว่างอันยิ่งแสงสว่างเนี่ยสว่างในหมื่นจักรวาลด้วยนะหลังจากอันนี้ถือว่า พระพุทธเจ้าทุกองแสดงธรรมจบในในสูตรแรกนต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดนะว่าแสงสว่างเนี่ยเกิดในหมื่นจั ก, กรวาลไอแสงสว่างอันนี้เนี่ยเป็นแสงสว่างที่เกิดจากสัพพัญยุตยานแต่เป็นอุตุสมุทฐานนะเป็นอุตุชรูปแต่มีสัพพัญยุตยานเนี่ยเป็นเหตุเนี่ยนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แสงสว่างเนี่ยเกิดขึ้นเป็นแสงสว่างที่หาประมาณไม่ได้เป็นแสงสว่างที่ส่องถึง โดยที่สุดแม้แต่เขาเรียกว่าโลกันตะนรกเนี่ยนะจะมีแสงสว่างถึงบ้างก็ช่วงนี้แหละแต่ปกติแล้วจักขูวิญญาณไม่เกิดพอจบอย่างนี้นะพระผู้มีพระภาคก็เปล่งอุทานว่าอัญญาซิวัตะโพโกทันโยเนี่ยนะว่าท่านโกธัญยารู้แล้วหนอนะอัญญาซิวัตะโพโกทันโยเนี่ยนะว่าโกธัญยารู้แล้วหนอเพราะเหตุ น, นั้นคำว่าอัญญาโกทัญนนี้ก็เป็นชื่อของท่านพระโกน ธัญญาด้วยประการชนีก็เลยชื่อว่าอัญญาโกนธัญญาอนะันนอันนี้ก็เป็นข้อความที่เรียกว่าธรรมจักรกับประวัตินาสูตรคำว่าธรรมจักเนี่ยนะมี2ความหมายนะธรรมจักรหมายถึง1ปฏิเวทยาน2เทสนายานนะธรรมจักนะัมีอยู่2 อ, อย่าง 1. ปฏิเวทยาน2เทสนายานคําว่าปฏิเวทยานเนี่ยหมายถึงการแทงตลอดอริยสัจอย่างนี้ ที่คนต้นโพ้นนะอย่างนี้แหละเรียกว่าปฏิเวทยานแล้วพระองค์เอามาแสดงให้พระอัญญาโกนธัญะญฟังเป็นต้นนี้แหละเรียกว่าเทศนายานเนี่ยนะเทศนายานยานทั้งสองอย่างนี้เกิดจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ประกาศแสดงเนี่ยนะก่อนก่อนคนอื่นใครหมดเลยก็บอกว่าหลังจากที่าศาสนาพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าอันตรธานไปนะก็ไม่มีผู้ที่จะแสดงแบบนี้ได้อีก ก็นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละเนี่ยนะแล้วก็รั้วรัดนะว่าหลังจากที่ฟังจบพระัญญาโกลธัญญะก็ขอบวชก็บวชเป็นเอหีพิคุหลังจากนั้นวันแรมหนึ่งขำพระวะปะก็บรุคือพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้พระวะปะบรรลุแรมสองข่ำพระพัทธิยะบรรลุแรมสามข่ำพระมหานามะบรรลุและก็แรมสี่ข่พระอัศชิบรรลุ เขาบอกว่าถ้าเหล่านี้นะเนื่องจากพระพุทธเจ้าให้กรรมฐานทั่วไปนะถ้าอากุศลวิตตกหรือคิดนอกกรรมฐานพระองค์หอมาสอนเลยวางกันนะสอนเอาขนาดนั้นเลยนะเสร็จแล้วก็พอวันแรมห้าค่ำแรมห้าค่ำหน้ายี่สิบนะนั่นแหละเป็นถือว่าวันแรมห้าค่ำลนะว่าพระองค์ก็แสดงอนัตตลัคนาสูตรนีให้กับพระปัญจวัคคีทั้งห้าเพื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์ เพราะก่อนหน้านี้ถือว่าบรรลุเป็นพระโสดาบันมาหมดแล้วเอาใหม่นะพระพระัญญาโกณธัญญะบรรลุวันนี้ใช่ไหมวันนี้เมื่อสองพันกว่าปีที่แล้วนู่นน่ะนะเป็นวันที่พระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกเขาถือว่าวันนี้เป็นวันที่สังขารตนะเกิดในโลกเห็นไหมเสร็จ แ, แล้วแรมหนึ่งข้ามพระวะปะแรมสองข้ามพระพัทยะแรมสามข้ามพระมหานามะแรมสี่ข้ามก็พระอัศชิทีนี้พระองค์ก็ตรวจดูว่าอินทรีย์เนี่ย แกกล้าสมควรแก่การบรรลุอรหัตตมรักกันหมดแล้วก็แสดงอนัตตลักษณะสูตรเนี่ยนะแสดงความเป็นอนัตตาของขันธ์ห้าเนี่ยนะก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นอนัตตาใช่ไหมคือถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอัตตาแล้วอะสิ่งเหล่านี้ต้องไม่อาภาษถ้าหากว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอัตตานะีมันต้องไม่อาภาษอาภาษนี่เท่ากับประกาศทุกขลักษณะเนี่ยนะ แต่ว่าเนื่องจากขันห้าเนี่ยเป็นอนัตตาเพรเนาะฉะนั้น่ะบอกว่าเออรูปจงขันห้าจงเป็นอย่างนี้นะอย่าเป็นอย่างอื่นเลยบอกไม่ได้เนะเพราะอะไรเพราะว่าขันห้าเนี่ยเป็นอนัตตาบันขันห้าจึงมีอาพาธคือมีทุกขลักษณะในในขันห้าคือไม่ใช่ว่าเป็นอย่างอื่นนะคำว่าอนัตตาในที่นี้ประกาศว่าเนื่องจากขันห้ามีทุกขลักษณะขันห้าจึงเป็นอนัตตา อันนี้เป็นการประกาศอนัตตาด้วยการแสดงถึงความเป็นทุกข์ของขันห้าบางแห่งนี้ก็ประกาศถึงอนิจจ์ใช่ไหมอย่างในายชาชักกสูตรนะแสดงอนิจจงว่าประกาศถึงว่าขันห้าเป็นอนาาิจจงคือจักขู่รูปเป็นอนิจจงอ่ะนะเพราะอันนั้นอ่ะจักขู่กระรูปจึงเป็นอนัตตาแต่ตรงนี้ประกาศถึงว่ามันเป็นทุกข์ทุกขลักษณะอ า, าพาธเนี่ยทุกขลักษณะเนื่องจากขันห้ามันอ า, าพาธนี่แหละประกาศถึงความเป็นอนัตตา ทีนี้พระ อ, องค์ก็เลยซักซ้อมเป็นความเข้าใจนะในหน้ายี่สิบเอ็ดนะจําหน้าไหนไม่ได้ก็ได้หน้ า, ายี่สิบเอ็ดไปก็ยังดีข้อยี่สิเอ็ดด้วยหน้ายีิบเอ็ดด้วยนะว่าพระผู้มีพระภาคตรัสถามมาดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพวกเธอจะสําคัญความนั้นเป็นไงรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงนี่ง่ายมากเลยนะไม่ง่ายมากก็ให้คิดบ่อยๆกันแล้วกันไม่เที่ยงพระเจ้าค้าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค้า ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยพระเจ้าค่ะอันนี้ก็ประกาศความเป็นอนัตตาด้วยทั้งอ น, นิจจาลักษณะและทุกขลักษณะอันนี้ก็ประกาศความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเมื่ อ, อขันท่ามันเป็นอย่างนี้นะจึงไม่ควรถือว่านั่นของเราอันนี้เนี่ยเท่ากับเห็นยังไงจึงจะเชื่อว่าไม่ใช่ของเราเห็นโดยความเป็นทุกข เห็นว่านั่นไม่เป็นเราเนี่ยนะถ้าเห็นแบบนี้เห็นยังไงเห็นด้วยความเป็นอนิจจังว่านั่นไม่ใช่อัตตาของเราก็นี้ก็เห็นด้วยความเป็นอนัตตาสรุปก็ให้ตามเห็นขันท่าด้วยความเป็นอนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาส่วนในหน้าถัดไปนี้ก็ประกาศถึงว่าขันท่าเนี่ยนะไม่ใช่การเดียวนะต้องการสามว่าเช่น รูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตไกลหรือใกล้ทั้งหมดก็เป็นศัก์แต่ว่ารูปนั่นแหละคือมันมันจะการไหนมันก็ขันอยู่ดีมันก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ดีเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอันนี้เป็นชื่อของวิปัสสนาปัญญานะว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราก็คือให้เห็นขันห้าเนก ทั้งสิหมวดเนี่ยทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกยาละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลให้ตามเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตานั่นเองในหน้าถัดไปกล่าวว่าดูก่อนพิสูุนทั้งหลายอริยะสาวกผู้ได้ฟังแลว้วฟังแล้วนะคือได้ฟังอย่างนี้สมบูรณ์แล้วเห็นอยู่เห็นก็คือเห็นขันหน้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาอันนี้เห็นด้วยวิปัสสนานะย่อมเบื่อหน่ายแม่น รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เป็นอะไรนิพิทาเบือนายเนี่ยนะก็คือนิพิทาเมื่อเบื่อนายก็สิ้นกําหนัดอ่นนั้นโมสิ้นกําหนัดตัวนั้นก็คือวิราคะได้แก่มรักนะก็แสดงวิปัสนานิพิทาแล้วก็สิ้นกําหนัดคือมรักเพราะสิ้นกําหนัดจิตก็หลุดพ้นอันนี้เป็นผลจิตนะจิตก็หลุดพ้นเนี่ยเป็นชื่อของผลจิตเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วอันนี้เป็นชื่อของ ปัจเวกขณะยานอริยาสาวกนั้นทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้วคือคือปฏิสนธิในที่ต่างๆนี่สิ้นแล้วเพราะอะไระชาติสิ้นก็เนื่องจากว่ากิเลส ท, ที่เป็นเหตุให้กรรมนําปฏิสนธิในภพทั้งปวงเนี่ยสิ้นแล้วเพราะอะไรเพราะพรหมจรรย์อยู่จบแล้ว น, นะกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วนะพรหมจรรย์คือโสดาปฏิมาสกาธาคามียนาคามียรหัตมรรยอยู่จบแล้วกิจ16ในอริยาสัจสีก็ทําเสร็จแล้ว ไม่นะกิจ16ในอริยสัจสี่นะคือกิจในการกําหนดรู้ทุกละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญมรรคในโสดาปฏิมรมีสี่สกาัฏาคามีมรรคอีก4อนาคามีมรรคอีก4อรหัตตมรรคอีก4เรียกว่ากิจสิกิจเหล่านี้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีเพราะฉะนั้นก็พรหมจรรคือมรรคสอยู่จบ น, นะกิจของอริยสัจ4ีนี่เรียกว่ากิจสิก็ทําเสร็จ เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระสูตรนี้แล้วพระปัญจวัคคีมีใจยินดีเพลิดเพลินภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคก็แลเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสไวยากรณภาษิทนี้อยู่จิตของพระปัญจวัคคีพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นพอจบสูตรนี้นะพภารหารันต์ก็เกิดขึ้นในโลกหกองค์สําหรับในสูตรนี้เนี่ยที่ผมที่ผมเห็นว่ามีความสําคัญมากเลยนะก็คือ ก็คือในหน้าสิบห้านี่นะก็คือที่พระองคตบอกว่าโดยย่อน่ น, นะอุปาทานขันธนะ์ห้าเป็นทุกตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่สำคัญมากเลยพ่าไม่มีศาสดาใดามามาม า, มาตัดสรุปอันนี้มาก่อนเลยเพราะคำนี้ได้อมความหมายไว้มากทีเดียวกว้างกวงกว้า ง, างทีเดียวก็ในสัตว์นะก็ที่มีขันธ์เดียวคืออสัญญาสัตว์ใช่ไหมที่มีขันธ์สี่คืออรูป ที่เหลือขันห้าหมดเลยเนี่ยนะในทุกพบพูมเนี่ยนะก็ถือขันห้าหมด แ, แสดงว่าถ้าถ้าแสดงว่าอุปาทานขันห้าเป็นทุกแล้วเราเห็นตามนี้นี่นะครับก็หมายความว่าอย่างอื่นจะตามมาเองเลยถ้ารู้<จ> น, นี่ <พอ S 2> คนกําหนดรู้นี่ยิ่งชัดเจนไปใหญ่เลยเจนพนบอกกิจนะแล้วก็บอกถึงว่าพระพุทธเจ้าท่านทํากิจเสร็จแล้วเนี่ยนะาศาสดาเราทําเสร็จแล้วเหมนกันตรงนี้สําคัญมากเลย เอาแค่ในตรงนี้ก่อนอาอาถามที่ท่าญาตัญญปฏิเสธพเจ้าพระแม่การชเ่รมาดวเองยังอันนี้ไม่ได้ชื่อว่าช่วงจาบอะไรเพียงแต่ว่าเป็นลักษณะคาให้ปฏิเสธนะนะคือคือก็หมายความว่าถ้าปฏิบัติขนาดนั้นแล้วยังไม่บรรลุอ่ะ น, นะนยังอื่นจะไปบรรลุยังไง ก็นึกไม่ออกอ่ะนะท่านก็ไม่ได้มีเจตนาลักษณะที่ว่าคิดในแง่ไม่ดีอะไรนะครับแต่แค่วักประกาศไปตามความรู้สึกเท่านั้นเองแต่ตามความสงสัยแต่เพราะไม่รู้คุณนะครับในที่สุดพระองค์ก็ชี้แจงคุณของพระองค์ให้ฟังก็เมื่อเขารู้คุณแล้วก็เงี่ยโสดลงฟังนะครับก็กกยอมรับแล้วก็ศรัทธามากแล้วก็โดยทําพังแล้วท่านก็รู้อยู่แล้วว่าอย่างไรเสียเจ้าชายสิทธัตถะต้องบรรลุเป็นพระพุทธเจ้า เพราะอะไรเพราะว่าเป็นคนที่พยากรณ์เองมากับมือเลยนะว่าตอนที่ที่คลอดใช่ไหมให้พราหมณ์มาทายลักษณะนะท่านยาโกลทัญญะปกติพราหมณ์คนอื่นเขาชูสองนิ้วแกชูนิ้วเดียวนะคนอื่นเขาชูว่าคติสองถ้าครองเรือนนะจะเป็นพระเจ้าจากาักรพรรดิถ้าออกบวชจะเป็นพระทหารผู้มีหลังคาคือกิเลสในโลกเนี่ยเปิดแล้วแต่ท่านยาโกลทัญญะบอกนิ้วเดียวเขาบอกบวชแล้วเป็นพระพูเท่เจ้านะ เสร็จแล้วพอพอกลับบ้านนะออกบวชเลยบวชรอบวชรออยู่เท่าไหร่ยี่สิบเก้าปีอะ่ะบวชรออยู่ยี่สเก้าปีที่บวชนี้กลัวไปไม่เอาครอบครัวนะมีครอบครัวเดี๋ยววันนั้นไม่ได้บวชเหนงั้นก็บวชถ้าให้มันเสร็จเสียนะก็รอดูก็เที่ยวถามว่าบวชหรื อ, อยังเหมงอนกันอันนั้นก็รอถามเที่ยวถามข่าวโดยเจ้าชายสิธะาบวชหรื อ, อยังไงก็ถามอยู่อย่างนี้นาแล้วดวดก็ไปอุปถักเต็มที่เลยนะอยู่หปีด้วยกัน พอไปฉันข้าวกัเลยโอ้ไม่ใช่ทางแล้วก็นนี้อันนี้ถือว่าเป็นธรรมดาด้วยว่าผู้ที่จะตรัสรู้ต้องวิเวกนะพระโพธิสัตว์ทุกองคเนี่ยต้องอยู่วิเวกกิงจะได้บรรลุเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นนิยามถือว่าเป็นของธรรมดาอีกอย่างหนึ่งว่าก่อนจะบรรลุนะผู้อุปถากต้องหนีไปให้หมดอันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมะนิยามอีกอย่างหนึ่ ง, ค, ค, งคืออันนี้เป็นคําของพระอัญญาโกณทัญญานะไม่ใช่เป็นคําของพระพุทธพจน์นะ เมื่อกี้นะดูนะหน้าอะไรดีในหน้าสิบเจ็ดนะในหน้าสิบเจ็ดกลางๆางหน้านะเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสวัยากรณภ า, าศิตนี้อยู่ก็เท่ากับถอยหลังทั้งหมดเลยธรรมาจักทั้งหมดเนี่ยนะพอตรัสอย่างนี้แล้วเนี่ยดวงตาเห็นธรรมปราศจากธุลีปราศจากมนทินได้เกิดแก่พระอัญญาโกลธัญะว่า คือโสดาปฏิมักของท่านที่เกิดอย่างรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาทีนี้ในดีกาท่านตั้งคําถามว่าอา้าวแล้วทําว่าดวงตาเห็นธรรมเนี่ยชื่อของโสดาปฏิมักใช่ไหยใช่โซดาปฏิมักมีนิพานเป็นอารมณ์ใช่ไหมใช่อา้าวแล้วไปรู้ความเกิดดับของสังขารได้ยังไงก็บอกว่ารู้โดยกิจนี่ยนะรู้โดยเพราะว่ามีนิพานเป็นอารมณ์แต่ก็ชื่อว่าตรัสรู้ทุกข์กับสมุทัยโดย โดยโดยกิจเนี่ยนะโดยกิจ